เซขาปฏิปทาทรมิกถาก่อนฟ้าสางวันที่ส0บมกราคมพศ2 5 4 7เรื่องอานาปานสติตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ถ้ามันไม่เป็นง่ายๆเห็นเป็นเรื่องอยากก็แสดงว่าวาสนาเก่าเรายังไม่พร้อมยังไม่งอมมาทำทำไมทํำอะไรทีนี้ก็ทําอย่างที่เราสวนเมื่อกี้หน่อยฟังให้ดีนะทีนี่ฟังให้ดีจะทำํำมันมั น, ม, นมันขึ้นมาไม่ผลทันทีเลยอานุปผังปริจิตาอบรมไปโดยลําดับโดยลําดับอย่างไรโดยลำดับที่นู่ ที่เที่คังวะอัชสันตองหายจะเข้ายาวหายใจออกยาวรู้สึกตัวทั่วถึงประ ช, ชานติตัวนี้มีคําว่าประ ช, ชานตินะที่คังวอาอัชสันตัวอัชปตตามีติประ ช, ชานติตัวนี้มีประ ช, ชานติแต่ว่าหายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้สึกตัว ถ้าถึงว่าเราให้ยใจเข้าใจวออกยาวถ้าเราหายใยา ว, ยาวมันจะรู้ตัวทั่วถึงได้ง่ายมันจะร้อนไปทั่วกระเทือไปทั้งกายก็รู้สึกตัวทั่วทั่วท่างกายอย่าขี้เกียจนะถ้าอยากเป็นนักเลงสมาธิจะเป็นง่ายถ้าขี้เกียจไม่เป็นดอกอย่าลืมว่าคําสอนพุทธเจ้าทุกขั้นตอนเป็นข้อปฏิบัติที่สัมพันธ์ต่อกันถ้าหาจะยาวมันจะสัมพันธ์ต่อหายใจสั้นจะมีผลต่อไป มันจะเกิดปฏิสัมพันธ์ต่อกันเมื่อเราหายใจเข้ายาวออกยาวตัวร้อนหยายใจหยาบกลับตัวร้อนๆแล้วตัวเราหวั่นไหวไปทั้งหมดเราก็รู้มันขึ้นมาไปถึงไหนมาถึงตรงนี้มันจะมีอีกอหนึ่งขึ้นมาคือตัวร้อนมากขึ้นน้ำลายจะมากขึ้นหลังจากนั้นสเต็ปที่สอง รัตสังวาอสสันโตอสสปัสสามิทิประชานะทีปะชาณะทีเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นปะชานะทีเหมือนกันคือรู้จึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นออกสั้นตัวนี้สั้นนะเมื่อยาวก่อนแล้วจึงมาสั้นมันสมันกันตอนหายใจเข้าใหยาวเนยมันจะอึดอัดมันจะร้อนมันจะเหนื่อยน้หลายจะมากขึ้นพอปล่อยให้ให้มันหายใจสั้นตอนนี้ มันก็จะนืออ <a S 1> <walker? S 2> ีแบบหนึ่งหายเกิดจะมือหอกกินสั้นสั้นสั้นเข้าสั้นออกครั้งแรกเราปล่อยให้มันสั้นมันจะรีบสั้นซะก่อนสั้นเข้าแล้วก็จะสั้นออกสั้นเขสั้นออกซั้นเข้าสั้นออกพอประมาณแล้วมันจะยืดมันจะยืดจากสั้นเป็นปหายาวจากหดแต่ยาวมาหาสั้นเป็นเปนกลางตัวนี้มันจะปรับข้อมันมันจะปรับข้อมันนะมันจะปรับปรับข้อมันเอง ที่แรกเราหายจะยาวสักก่อนเข้ายาวออกยาวประมาณสักสิบนาทีเทน้ว่าตามตะปตามทิศหนึ่งที่นี่มาไล่สั้นสักสิบนาทีหลังจากนั้นมันจะปรับของมันให้พอดีมันจะไม่สัน้นมันจะไม่ยาวมันจะยืดจากสัน้นมันจะหดจากยาวมันอยู่เป็นกลางตัวนี้ไม่ต้องอะไรแลวไม่ต้องสั้นไมนต้องยาวละตะเป็ที่สามสัพพะ กายะปฏิสังเบทีเห็นไหมตามหนังสือน่งที่เราสวดอัตสัปสาสมาติสิกขติตอนมีสิกติแล้วนะเมื่อกี้สองข้อนเป็นประชานณติตอนนี้มีสิกตินะสิกติแปลว่าศึกษา observe สังเกตที่เรียกว่าศึกษาน่ะสิกติถามในบทศึกษาว่าเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายั้งปวงสัพพะแปลว่าฐ้งปวงกายะ กายทั้งปวงปฏิเฉพาะสังพร้อมเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงโอ้ไม่ใช่ธรรมดาดเลยมีทั้งปฏิสังเวทีด้วยสภกายจากปฏิสังเวทีอสปศปตตาไม่ได้สิกิติมีสิกิติอีกด้วยปฏิสังเวทีแล้วยังไม่พอยังมีสิกิติอีกด้วยท่านนักปาลีที่เรียนมหามาบ้างแล้วจะเห็นว่ามันมันมันละเอียดนะมันลึกซึ้งนะ จากปฏิสังเบทีไปว่ารู้พร้อมเฉพาะอลไรยังไม่พร้อมยังสิคส่คติสิ่งคติตัวนี้แปลว่าศึกษาสังเกต observe ภาษาฝรัรรว่า o ภาษาลาว่าสังห้มซ่อมเบิ่งคักๆ่าษ า, า, าหลายๆภาษาไหนยังไมารู้ยาก่อเข้าใจสังเกตดูดีๆว่าเวลาเวลาขอเราหายใจไม่สั้นไม่ยาวว่านี้มันมันอยู่ตรงการระหว่างยาวระหว่างสั้นมันเกิดอะไรขึ้น จะต้องปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะทั้งกายทั้งหมดสังเกต น, นะสังเกต น, นะเพราะมาถึงช่วงนี้มันจะดิน้นกระตุกเต้นไปตามเนื้อตามตัวมันจะไตไปตามหัวตามคอเหมือนสัดตัวเล็กๆมือนมาแรงวีมาแรงวันเหมือนตัวเลือดตัวเลนตัวไหลไตตามหน้าตามตาตัวรู้มันอยู่ตรงนั้นตัวรู้ที่เรียกว่าสัพพกายจะรู้พร้อมกายทั้งปวงละเอียด น, นะ บางทีมันเต้นเต้นตามหน้าเต้นตามหลังเต้นตามไหลตามเอวตามขาตามแขนกระตุกบางคนแขนกระตุกบางคนอาปากก็ึ๊ดไปอย่างงี้บางคนเสดเดอติงนีนั่นนั่นรู้จักการทั้งพวกมีวางองนั่งเสดเดออย่าลืมนะเสดเดอสะดุ้งบันทีสะดุ้งเข้าก็ได้บางทีสะดุ้งออกก็ได้พราสารวัตรเสดเดอบางทีเสดเดอก็ออกเสดเดอออกแล้เขากรึ๊บเข้าไปในสวัสดิที่ดึงลงก็ได้นะไม่เลื่อนเวลานะ ต่อสังเกตนี่ถ้ามันเก็บเข้าสักครั้ ง, งหนึง่งสักห้านาทีหนึ่งคุมกันยี่สิบปีที่มายี่สิบปีหนึงน่ ง, งแต่เข้าไปสักห้านาทีเนี่ยคุ้มแต่เด็กุมไม่ขาดทุนเลยได้กำไรที่สุดตอนนี้เรากำลังจะทําการสังหารให้เรางบเราจะอาศัยอารมณ์อุปนิส ช, ชาดดูลมนี่แหละมันจะดิน้นมันจะไต่มันจะกระตุก ภาษาาวมสิ้นสิ้นสมัยด้วยปฏิญญาแกกัด้วยกันหลังจากนั้นทําการสังขารให้ํางับข้อที่สี่ปัจซัมปยังกายสังข้ารังอัสัปปะามีติสิคติทําในบทศึกษาบ่าจะยังกายสังขารให้ดางับอะไรคือการสังขารสังขารมีสามกายสังขาร เครื่องปรุงแต่งกายวัจีสังขารเครื่องปรุงแต่งวาจามโนสังขารเครื่องปรุงแต่งใจมันมีอันเดียวไม่ได้มันต้องมันประกอบกันที่เรียกว่าสังขารกายยันยะตราหังพิเวเตมัธามิอัศสาสปัสปสาสังพิสุทั้งหลายเรากล่าว่าลมหาจะเข้าหายใจออกนี่แหลเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งสังขานทั้งหลายลมหมันจะเข้าหาจะออกนั่นเป็น เป็นกายสังขารถ้ามือลมหายจะเข้าหายใจออกกายก็ตายไปไม่มีบม่งมีกายใดทึ่ว่ายังกายสังขารห้เรางับเรางับยังไงทำลมให้เรางับตอนนี้คันที่สีนี้ดูลมเมง่ายดูยังไงเฝ้าดูมันเข้ามันออกจุดเดียวถ้ายังไม่ว้ชัดตามดูตามมันเข้าไปในท้องตามมันออกมาเรียว่าอนุพันธนา ถ้าตามดูยังไม่ชัดอย่างสับสนตั้งตัวนี้ตัวนที่สุดดีที่สุ ด, สดตั้งจะเข้าไปสู่ฌานอย่างการเรางงก็ตรงต้องตั้งให้เป็นผาปนาตั้งตั้งสติเราวมันจะอยู่ตรงไหนก็ตามตั้งสติไว้ที่มันชัดเองว่าที่เราอาจจะตั้งสติตั้งควารู้สึกไว้หน้าผากระหว่างคิ้วบนหัวบนฐาท้ายทอย รู้วจะตั้งอยู่ที่ฟันสองสองข้างทัางหลังข้างบนที่มันมันประกบกันเพ่งสติจ่อไว้ที่ฟันสองข้างมันจะคาบประงับแน่นแล้วจะตึงเป๊ะทีนี้สังเกตนะกายจะระมัดพอเราตั้งไว้อย่างนี้มันจะหัวนี่จะแน่นเป๊ะมือการเคลื่อนไหวอยู่ในหัวเหมือนถมองนี่เคลื่อนไหวได้มือตัวเคลื่อนไหวได้ พูดถึงตนนี้นึกถึงพระอุปติสสะเทระผู้รันาคำภีวิมุตติมัตไปคำภีเก่าก่อนวิสุทธิมัตท่านผู้นี้มีชื่อขายภาษาลิบุตรชื่อเก่าภาษาลีบุตรชื่อว่าอุปติสสะน่าจะเป็นพระพระภาษาลิบุตรรจนาไว้เรื่องวิมุตติมัตทางความหลุดพน้นต่อมาวิสุทธิมัตในเกิดตาลังวิมุตติมัตเขียนดีมาก ต้นฉบับเป็นภาษาบาลีหาย ไ, ไปหรือจะเป็นเป็นต้นฉบับภาษาจีนในประเทศจีนทีนี้ถูกแปลเป็นภาษาองังกฤษและแปลมัเป็นภาษาไทายใหม่แต่อันูก็ยังใหมยย่เสมอท่านอุ ป, ปติสสะเทระฟูรตนาขพีนี้ผมคิดว่าน่นจะเป็นภาราลิบบทเพราะชื่อเรื่องของนั่นชื่อวอ่า ป, ปติสสะท่านจะพูดละเอียดมากเมื่อดูข่าววจรเพียนเพ่งดูลมหาใจไว้ที่ฐานปนาจุดใดจุดหนึง่ง จะมีความรู้สึกปากในศรีรษะนี่อัดแน่นไปด้วยลมจริงจนะครับเองว่าหัวนี่แน่นมีลมเต็มเหมือนเป่าเป่าลูกโปันก็เป่าเป่าลงไปในลูกปกฟังให้ดีนะถ้าสนใจจะได้ประโยชน์มากเมื่อแน่นเป๊ะแล้วมันจะรางับปักก็มหมายใจจะน้อยลงน้อยลงในหัวแน่นแล้วเกาะในหูจะได้ยินเสียง เสียงดังสองจังหวะเป็นอัลฟาเวบึงบังบึงบังบึงบังขึ้นมาแล้วก็ดิ้นลงไปอีกแล้วยีลบไปอีกตั้งสตีไว้ที่ฟันหรือว่าที่หน้าผ่าที่หงก็ไล้เลือความคิดไม่มีแล้วมันใจละเหยเข้าละเหยเข้าเสียงดังๆขึ้นจะเกิดเสียงใหม่ซ้อนขึ้นมาเสียงในเสียงเสียงที่ราได้ยินครั้งแรกจะเป็นเสียงของตายสังขาน เสียงของคลื่นหัวใจเสียงของคลื่นสมองเสียงสองจังหวะดังต่ำดังสูงบึ้งบังบึ้งบังบึ้งมามาเมื่อลมพัดชายเขาดังก้องถ้าเราไปนั่งอยู่ในป่าในภูในผาจะดังก้องภูก้องผาเสียงอันนี้แต่ไม่ใช่เสียงผานนอกแต่เป็นเสียงผ่านในเมื่อละเอียดเข้าจอจีไว้ที่จุดเดียวที่ฐานปัญหาแห่งเดียวเสียงนั้นจะดังแทรกไปเป็นเสียงใหม่เสียงแหลมแหลมลึก เมื่อเสียงใหม่หอนวิอยู่ตลอดถ้าตัวนี้ดังขึ้นสดชื่นแจ่มใสที่สุดไม่มีม่วงนอนเราก็หลับไปถึงเวลาหลับถ้าตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงตัวนี้หายมออ่วงเลยไส่เจ้าเมื่อตื่นมาแล้วสิบ ป, ปีอา้าวมีของเล่นนะหลังจากนั้นจะมีแสงมีเสียงอะไรดังขึ้ น, นกลางคืนจะเป็นแสงเสียงหมาเห่าจะกลายเป็นแสงว่า เสตุ๊กแกร้องกายเป็นแสงว่าเสียงใบไม้ตกแส่แลหลางกอดในป่าทุเมื่อเราไปกลางกอดในป่าป๊อกน้ำค้งหย ด, ดป๊อบสว่างว่าเขียวปัดนั่นแสดงว่าสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งที่มีแสงไปเครื่องยืนยันที่พระยาว่าปัฏสรนมิถะพิเกเวจิตังอาคันตเกเซอุปเกเรเซอุป ก, เ ล, เป ก, ล, ปกลิถังพิสุทั้งหลายจิตนี้มีแสงนะที่ตนิยมแสงสั้นไป แต่ว่ากีเรตเข้ามาเป็นแขกถ้าวิาจิตใจนิมนต์มองไม่มีแสงเมื่อจิตใจมีแสงมากขึ้นก็แสดงว่าสมาธิมันแรงกล้าขึ้นตรงนี้ถ้าเราจะเพ่งไปนั่ยู่ดีเพ่งไปทางไหนจะเกิดแสงว่าว้วาว่วาวระวังให้ดีถ้าเป็นพระถ้าไปอยู่ในป่าผีตายนะถ้าไปโรผียักษ์ตายนะอมรุตตายนะ ปีศาจตายนะท่านปรับอาบัติทุนละใจภิกษุไปทําให้อามนุษย์ให้ยักษ์ให้ปีศาจตายไปเธอต้องอาบัตทุนละใจอันนี้อาริยวีไนาอาพิวีไนไม่ใช่พิธรร ม, มาละเอียดลองไปอย่างนี้ให้ดูาาว่าพระประยุปาต้องเก่งอาพิวีไนด้วยข้อเล็ก ข, ข้อน้อยที่ละเอียด ในป่าในดงนั้นมันเป็นสภาพที่อยู่ของพวกอมนุษย์พวกปีศาจ พ, พวกยักษ์ถ้าใครไปที่วัดปา่าอุดสอรสปนพระอาจารย์ฟัน่นอำเภอพารนานิคมที่มีอนุสาวรีย์อยู่ถ้าเรียกว่าผีตะพันจะเห็นภาพประวัติอาจารย์พั่นเป็นว่าพระจนผีกองกอยอยู่ดงพญาเย็นดงพญาไฟถ้าเราไม่เคยทําสมาธิเราไม่เคยฝาสบผู้ผ่นอย่างนี้เราจะไม่เชื่อเราจะคิดว่าท่านคุย เขาไม่เอ็นดูเราคนหนึ่งบอกว่าคี้คุยเขาไม่เชื่อเราแต่ก่อนเขาไม่ค่อยเชื่อยากน่อยเพรไะว่าท่านทางเดินทุดงจากบ้านเรานี้ไปข้ามดงพญาไฟดงพญาเย็นปากช่องคล อ, องขนานจิตซีดาปากอาโศกไปนู่นหินรับทับกวางวกเลยการดงแตวันนั้นเป็นป่าดิน ด, ดงดําหูเขาป่าพองดงดอ ง, งมากว่าด้วยปีศาจผู้ผีปีศาจสัตว์ร้าย ส, ายสิงสาราต่างๆ เสือช้างกระถิงเสือสิงกระถิงแรกลิงข้างบางชนีมากน่า ก, กลัวท่านพานกันไปมิตรพักกรรมฐานหนุ่มๆ้ายัางหนุ่มเอาเด็กไปด้วยเป็นกับพิยาการโรกบุคคลเป็นพ่อเขาน้อยต้มนร้อให้กินก็นกระทํากับพิยกาโรกบุคคลให้เวลามีอาหารไม่ไ ม, ไม่เหมาะไมสมตามลักษณะของพักอมฐานผู้คุ้มครองชีวิตด้วยศิลถ้าสินีันอันตรายมากอยู่ในป่า ต้องเตรียมให้พร้อมบังเอิญว่าเด็กคนนั้นมันไม่ค่อยทําไม่ดีก็เลยไปผิดพวกเจ้าที่จะทางเจ้ที่จะทางพวกนั้นคือพวกผีกองกอยภาษาเล่า ส, าาสิคนจะแบบผีกองกอยผีกองกอยลูกลหลานผีผีผีเยาวายัยผีเยาว์ไต่ไงกว่ามึงยังมีอยเลยหรือสวบวิ่งเลยพูดได้ว่าวิาว่งไปสุภาพบุรุษบหชไปน้องหลายคนก็ยินดีด้วยว่าไป้ครับพวกไก่ทอ ศาตร์พวกนี้อามนุษย์พวกนี้ปริศาพวกนี้โกรธเคืองที่สุดถ้าเราไปทําผิดเขาหนึ่งเอาผ้าไปตากไปผ้าไปตามพุ่มไม้ที่เรามานี่มีไม้ ย, ย้อมผู้หญิงเอาผ้าไปผ้าตามพุ่มไม้ระวังให้ดีนะเขาโกรธเมือไปด่าพ่อด่าแม่เขานะถ้าเขาอดทนไม่ได้ด้วยอำนาจสินธรรมที่ครอบงํายกเขาอุ้มขอ ง, ของเขาอาจจะทําอะไรออกเขได้ ผ้าสงฆ์เหมือนกันจะเอาผ้าไปผ่าตากพุ่มไม้ถ้าจะตากก็เอาเชือกเอาเครือเอาอะไรมามาวัดมาเข่งเป็นราวตากวิถีนั้นจะไปเบียดเบียดไป ข, ข่มขีของแหงเขาพวกที่อยู่ภู ม, มิภะอยู่ตามพื้นดินนี่เขามียู่ตามย้านนี่ก็มีต้นไม้ของเองแล้อีกไปเอาฟืนจับฟืนมาไม่ได้แบกลากมาลากแก้มานะันนะนะ โกรที่สุดเมื่อไปด่าพ่อแลาแม่แหละตอนี้คือก็ป่าสองก็ป่าต้องทั้งรวระวงังไม่ใช่มีแต่เราคนเดียวในโลกอันนี้โลกนี้เป็นที่อยู่ของสรรพสัตว์สรรพเชื้อทั้งเทวาและมนุษย์ถ้า ท, ที่ตายเห็นแล้ไมาตายเห็นนอยู่ด้วยกันจะต้องเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกั น, กนอย่าไปเบียดเบียนของแหงกันปาบอกว่าเด็กคนนั้นไปต้นมงังกรไปลากฟืนแห้งมาลากลากลา ก, ลา ก, ลากมาก่อไป กลางคืนพอข้ามาปั๊บลมพัดเหมือนภูเขาหนําพังโล ก, จกลเจรินีแล้วน่ะต่างว้นเบนแล้วก็มีเสียงร้องมาแต่ไก่กองก้อยกองก้อยกองก้อยกักมาถ้าลงกักแล้วโ ก, กที่สุดมึงตาเลอดหักเดี๋ยวนี้รู้แต่ก็เรื่องนั้นพระกรรมหารอะไรก็เลยบอกอันตรายเลยเวย้ยเกิดอาเพศ อันตรายเลยเด็กองคงจะทำผิดปังถามว่าหนูต้มน้ำวันนี้เป่าฟืนที่ไนพอมาจากนู่นดิมคลองเชิงเขาแบกมาหรือเปล่าแกไม่รู้อะไรว่ามังหนักรับโอ้ยเอากันเลยก็เลยสงสารเด็กกลัวว่าเด็นี้จะกินเฟินชอบล้อล้วงเข้าไปในในในท้องในสั้นกินตับดาาโกนจะรอได้เฟินยเอาเสร็จเลเส็ยแล้วขงก้ยของกยมา ถ้ากับปัญหาอันตรายก็เอาเอาพาด้านสายสินมาวงรอบแต่เอาเด็กมานั่งตรงกลางถ้าก็มานั่งล้อมรอบเด็กเป็นห่วงเด็กกว่ามันจะก้นโกงพรุ่งนี้ยิ่งแขกแย่แสกเหมือนก็พักกันกนั่งสวด ท, ท่านอาจารย์ฟั่นก็นั่งแต่ไม่ได้สวดนั่งเพ่งสมาธิอยู่เสียงร้องใกล้เข้ามาใกล้เข้มากอคงก้อยกองก้อยเข้ามาเสร็จแล้วมาร้องใกล้ขึ้นมาใกล้ๆอยู่ยบนต้นไม้ก็เพ่งไป ทรงจิตที่มันเป็นสมาธิในเพ่งไปจวดตกไฝผมยาวๆฟันเต็มปากตกหายว่าไปเลยตายไปเลยเขาจนเขียนภาพไว้ในในแผ่นในใ น, ในดินเผาภาพประวัติที่ที่แต่พันว่ า, าผาจนผีกองกอยที่ดงพญาไฟให้ไปดูเลิดจะเห็นดูแล้เจ้าไม่เชื่อแต่ถ้านั่งสมาธิแล้วเมื่อจิตถึงทำการหลังขาเรางบับข้อที่สี่นี้ แล้วหายใจน้อยลงเราลงเสียงดังขึ้นเสียงแล้วๆีดังขึ้นในแจมไส้เบวางขึ้นดังนั้นมันจะแน่งแน่งเป๊ะในหัวแล้วมันใจจะเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อ ย, น, อ ย, น, อยนิดเดียวและจะมีแสงเสียงไต่ขันก็มีแสงเสียงน้ําคานหยดใส่สหลังกดป๊อ ก, ก็ไปแสงวาบพอเราจะเพ่งไปตรงไห น, นมีแสงไปดันไปแรงๆเมื่อไปฉายวาบถ้าเขียวปึ้อเลย ตรงนี stones, sun, inside, ้แหลระวังฮะเดีอะไรมาตรงนั้นระวังในในประวัตของท่านเราเล่าเรื่องบาตท่านอาจารย์ฟันคิดแรงมากเดินตรงกลมเดินไปเดินมาได้ยินเสียงนกนกนกเขานกฮูกมาร้องคูกอยู่ข้างบนเพ่งก็จอดออกปอกออกมาตายนี่แหละคืออันตรายของชิตถ้าใช้ชิดอันตรายถ้าได้ยินเสียงก็คือกักัมาข้างหลังเพ่งไปข้างหน้าโขว่าบามันก็วิ่งหนีดอก ถ้ารายืนเซตทางซ้ายเพ่งไปทางขวามันมมวิ่งหัวซุกูสุนมันกลัวอันนี้มันแรงมากมันเป็นเลเซอร์อะไรจากเลดี้เนี่ยกลายเป็นเลเซอร์ก็ได้อันนี้คือการังขาจะรำงับเมื่อ ร, รำงับลงเขาเขาจะจัดเรามให้จับไปไม่มีคือรำงับพี่สดุดเอวังสันสันสันเตปัลตเอวังสันตุปลัลเตปลัลติยา อาสาสะปาสะสะปภาวนานะโหติเมื่อลมหายใจละเอียดเข้าความสงบลงอับเกิดขึ้นแม้ลมหายใจเข้าหายใจออกอาสาสะปาสาสะก็จะไม่ปรากฏไม่เห็นไม่มีอย่าเข้าใจว่าเราจะตายนะเมื่อลงอับที่สุดไม่เจ็บไม่ปวดแล้วลมหายใจก็ไม่มีเมื่อลมหายใจไม่มีมปุ๊บมันจะบินลงไปที่นี้มันจะไปอาลมาุมอัเดียว แต่อารมณ์ที่ได้มีทั้งหกหูเคยได้ยินเสียงตาเคยได้เห็นจมูกเคยได้กินหอมกินเหม็นอยลิ้นเคยรู้จักรสอยู่กายเคยสัมผัสอยู่ใจเคยคิดอยหายเนี่ยเป็นอันเดียวไม่คิดเอกาที่ผาวาที่สะตอเมื่อลมหายไปแเราจะดึงลไปตรงนั้นดังดําดินลงไปตรงนั้ น, ป น, นเป็นอันเดียวเอาฟืนมาดื่มข้างนอกไม่ได้ดินดอกคิดเข้าไปอยู่ในท้องไหนไม่ออกมาข้างนอก ไม่รับรู้อะไรไมันมีลั่งับการทา ง, งานของอจตนะเลื อ, อันเดียวชื่อว่าเอกาทิภาวาคตโตไปสู่ภาวาอันเดียวมีแต่ตัวรู้อย่างเดียวรู้ว่าอันนี้คือจิตอันนี้คือชีพภายในจิตอันนี้คือสมาธิไม่ต้องถาม อ, อะไรตอนนี้ไม่สงสัยปจัจจตังเยวะยานังปจัจติที่เราสวนเมื่อวานจะรู้ได้เฉพาะตนว่าสมาธิเป็นอย่างนี้จะรู้เองแล้วจะรู้ต่อไปว่าอันนี้ไม่ใช่คนคนเร็วจะทําได้ ต้องทาจริงๆทั้งลูกๆก็ทำไม่ได้ทื่ว่าอะยังสมาธิอากาสาบปูริโสเสบาติปจตังยิวะยานังปัจจิติที่เราส่วนวนัดต่อเห็นสมาธินี้อันคนเร็วๆย่อมเสพไม่ได้เล ย, เยมันจะรู้จากเองว่ามึงไม่ใช่ของของคนเร็วๆคนง่าย ๆ, ายๆลูกๆจะทําเป็นได้ต้องทํากันจริงๆอย่างๆแล้วเนี ย, ยในเม่อมันเป็นอันเดียวแล้วมันจะมีอลักษณะหนึ่งคือไม่เป็น อาชาตังไม่เกิดอภูตังไม่เป็นตอนนั้นจะไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายไม่รู้ว่าเราเป็นหญิงหรือเราเป็นชายไม่รู้ว่าเราเป็นพระหรือเราเป็นยมไม่รู้ว่าเราเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงไม่รู้ว่าเราเป็นธรรมยุหรือเป็นมหาลักายไม่มีมีอันเดียวมีแต่เอกคะตาคือประสบอารมณ์เลิศอันเดียวตัวนี้เราความสงสัยอะไรมันไม่มีจะคิดก็คิดไม่ได้นะตอนนั้นมันคิดไม่ได้กายเรางับแล้ว นี่คือสุ ด, ดยอดของอารามโนบุนชิชามเพ่งอารมณ์ให้เป็นอารมณ์เดียวเป็นเป็นสมถะตัวนี้จะไปใช้อะไรก็ได้ความสุขจะประดังประเดขึ้นมาเมื่อออกจากสิ่งนี้ฤทธเดชความมีฤทธิเดชไม่น่าอาจจจัศจรรย์เลยเหเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาเป็นไปได้ไม่ใช่อิมพอร์ตเพิ่มดเป็นไปได้ทุกคนเป็นสถานะเมื่อเข้ามาตรงนี้แล้วไม่มีเวลาวีพันธ์ไม่รู้ว่ามันสั้นหรือมันยาว อากากริโกก็อยู่ตรงนี้ให้เห็นโออากากริโกเป็นอย่างนี้จริงๆบางทีมันเข้าตับเข้าไปตั้งแต่หัวค่านูน่นพูนะ่เช้าน่ะออกมาเองของมันก็เหมือนสักสองสามนาทีนี่คืออากากริโกไม่จำกัดด้วยการเวลาขอบเขตและไม่เลือกเวลาด้วยนะไม่เลือกเวลาที่มันจะเป็นเดินอยู่มันก็เป็นเวลามันจะเป็นนอนอยู่มันก็เป็น เออมันพิเศษจริงๆนะสเปเชียลิตีผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังปีนั้นผมยังเป็นฮิปปี้อยู่ผมสนใจเรื่องสมาธินี่มากตอนเป็นนๆหลังจากผมเลิกเลิกศึกษาศาสนาคิดเมื่อผมาสนใจพุทธศาสนาผมจะสนใจเรื่องสมาธิมากอ่านแล้วก็ไม่เชื่อท่านจะสอนเรื่องผลของมันอย่างสามันจะผลโสดพระมาชาริโสนเหล่านะี้ในทีคลาดกาย สีละขันธวักเล่มที่เก้าทั้งเล่มนล่ะครับไปอ่านดูเถอะมีแต่เรื่องผลงานของสมาธิของศีลของสมาธิของปัญญามีลิ่มีเดทุก ด, ดังแต่จะไม่มีครอบตัวปฏิบัติทเทคจิงเขงกากอ่านไปด้วยไม่เชื่อไปด้วยแต่ก็สนสารไปด้วยอยากลองมันแมนิลีพ่ะหรือรรว่าขี้คุยไปเลยนะอุพสัตทางสุนาติเธอยอดได้ยินเสียงสองเสียง เมื่อทีของเธอนู้มืองควรแก่การงานแล้วเสียงทิพบางเสียงมนุษย์บ้างเยทิพาเยตามนุษาสุนันตุเธอจะฟังเสียงทิพไา้เสียงมนุษได้มันแม น, นอินริพอเราไปขี่ตัวน้องสงสัยพอพอไปอ่านมัชฌิมนิกายอุปริปนาที่เราสวนเมื่อกี้นี่แหละที่เราสได้มากเราสวดเมื่อกี้อยู่ในมัชฌิมใิกายและอาศัยยุตในกาย อาณาปณะสังกูไปอะไรเห็นโอ้มีวิธีทำอันนี้ไม่ได้บอกผลมันจะบอกผลเรื่องมีไรมีเรแต่บอกว่าจะยังสพิประฐ oh, านทั้งสี่ให้บริบูรณ์ยังโพชฌงเจนให้บริบูรณ์ยังวิชาวิวุัตคือเป้าวัยให้บริบูรณ์ลองแตอนนีบอกไล่ไปทดลองยาวลองเส้อะไปเขก็ทําเลยมันปมันบรแเวณเนี้อย่างตัวหันตไปมามื่อเตะเกิดกันปะจะไปหาเขาเรื่องยังยังงงหมดเฮ็ดเลยด้วยเพราะเขาทำามพระไตรปิกนะ ถ้าผมไปรเรียงกับอาจารย์ผมงงบอกไ่าขึ้นกันเมื่อสิบคนบอกวันิบเอี่ฮิหายใจฟเจิาวดกอนก็เลยทาทาเล่นทำ ง, ง้อไปเฉเๆหรอกไม่รู้จเป็นวิญญาณวันหนึ่งไปเลี้ยงมัวพ่อไปบวแล้วเลยได้แม่แต่น้องมี ง, งัวจังไปเลี้ยงงวัวไปเลี้ยงงัวก็ไม่ได้เลี้ยงเฉยๆนะเอาหนังสือพระไตรปิฎกมัดมัดขอดใจเอวไว้ด้วย ชอบอ่านสูวนนะั้นไปไปก็ปุ๊บปูป่ผ้าผ้าลมพลต้นมะขามนั่งอ่านพระตรปิฎกอาณาปานาสติสังยุธนั่นแหละเกิดทึ้กขึ้นมาอยากลองของมาเอาลองผูไว้ดีๆในหลักนั่งสมาธิพระพุทธเจ้านั่งอินโต้งโพเราจะเอาต้นขามเอาต้นมะขามคนเบื่อเกี่ยวพุทธิยถาองค์ทรงนั่งพิงต้นโพ พอรื่องนุ้ต ร, รธรรมตาบุริยาเราจะเอาต้นมะขามนี่แหละไม่มีประโยชอิงต้นมะขามนั่งทั่วที่นั่งดูลงมันจะเข้าหันจะออก น, นั่งเล่นนั่งหอไปธรรมดานี่แหละทํางลมยาวลองเศร้าแต่เราดูมันเต้นจอกแยกแย ก, กมันดิ้นไปมมาทั้งตัวดูมันไตมันไปมันมาตามหัวดูมันกระตุ้ตามแขนตางขาเส้นผ่านหนึ่งเสียงก็ดังขึ้นเสีย ง, งเสียงนอ ก, กดังขึ้นสองจังหวะหลังจากนั้นก็เสียงจังหวะเดียวเสียงแหลมเสียงเช้าก็ดังขึ้นวีวิวมันใบหอนก็สดชื่น แล้วมหายใจก็น้ลงน้อลงน้อยลงน้อยลงอีน้องก็ตับไม่มีลมเงียบมีความรู้สึกว่านี่คือสมาธินี่คือจิตในจิตมมันอยู่ข้างนอกไม่ได้ยินเสียงงวงไม่ได้ยินเสียงควายตอนนั้นประมาณสักสิบเอดมงหรือเที่ยงพอมันออกมาออกมาเองนะไม่ใช่เราให้มันออกตอนนั้นหัดไปพอมันออกมาปั๊บตะวันจะตกดินงัวจะตายแล้วมันหองมันไม่ได้กินน้ํา คอก็กอลองกระแหลงควาคือปคำว่าเท่ข้าวเดียวดพันหนึ่งมจะาทืพยหนึมีควารู้สึกว่าประมาณสักสองานาทีนี่คืออาการเล็กของมันจูงัวไปกินน้ำเอามาืไปอกับบ้านเอาไปโขกดีใจมากไปนี้จะไปกินข้าวตอนเย็นจะทำสมาธิทั้งคืนเอามันดีกว่านี้ไม่ต้องห่วงงัวเมื่อกี้มันยังห่วงงัวอยู่เชื่อว่าจ้เอาใจดีที่สุดไปถึงเมื่อเป็นเรื่องเลยทั้งคืนก็ไม่เป็น ถ้าตั้งใจไม่เป็นนะแต่ว่ า, าที่ตั้งใจมากไว้เป็นใหดเล่นก็เป็นทําเหมือนทำเล่นแต่ทําจริงๆคือทำด้วยเขามไม่ยึดมั่นแต่วันจะเป็ น, นกลับไปถึงบ้านผูกอุ้งปับ๊บขึ้นบ้านบอกน้องแม่กําลังทําอาหารอยู่ในกวัวางพาไปกินข้าวนะอย่ามาเรียกนะพาไปกินข้าะเด้อบอกกินน้ำดอกพากินข้าวเด้อนอนน่ะเด็ดบวดอกบอ ก, บอกกินน้ำดอก ทำไมนั่นไฟฟ้ามันมีกระตใต้ไปเกียงกอกเข้าไปกอกกลางงมุงมันเคยักสักทีก็ปอปสิบีกางผ้ะมบหมอดตเกียงนั่งสมาธิแต่จีใจไปสมาธิจิต ใ, ใจจะอ่อนนะมุทุพเทจิตใจจะอ่อนโยนนุ่มนวลมากรู้จักบาปกอกมือขึ้นมือจะบาปมากรู้จกัจกบุญมจะบุญมากได้ยินเสียงแม่เดนมาก่อน้ําตาไหลแล้ว ช่วงเสียงเท้าแม่เดิมันในบ้านก็น้ำตาไหลแล้วมันใจอ่อนสมานที่มันจะทําให้ใจเราอ่อนทีนี้ใจมันแข็งกระด้างเหมือนเหล็กจะมาตีเป็นี่ไปพาโกไม่ได้แต่าเผาตื่มาเมันอเมื่อเผาดูไงมันเหนมันอ่อนมันอ่อนแสเงงอโน่นขอบพรากฏว่าแม่บอกบอกน้องบอไปออกเอินได้ไม่กินข้าวไปน้องบอกว่ามันบอกินดอกมันบอกมันบกินถึงขนาดนั้นแม่ก็ยังไม่ยอมเดินมาเองตีเส้นเดินแม่ก็ แม่ไม่ได้ยินแม่พูดกับน้องว่าอาดวันใกินข้า ว, ลวเลยบอ่คือจะไปกินเปเรียงงวแต่เศ้านะเราไม่ได้กินข้าวตอนเที่งไงเลยนั่งสมาธิเพลินจนถึงค่ำก็มันไม่หิวมันอิ่มแต่ยิเสียงแม่พูดน้าตาจะไหลโอ้ในโลกนี้ไม่มีใครดีกว่าแม่เราการบวชนี่เราจะรู้จับุญคุณพ่อแม่ถ้าเราจริญสมาธิบวมเมือ่อปีกบวชจะบุญคุณมบวบุคุณมแม่ใครบวจะเริยนสมาธิไม่ได้ไปเห็นหพ่อแม่ตอนน้องมาลงเติม เสียสวนกลับปันหางก็มีเพราะว่ามันไป็นวทเด็กที่เ้เขาจะแย้งเรืงบุกคุ้พ่อแม่นะได้ยินเสียงแม่เดินมาน้าตาไหลแม่เราดีจริงๆนะเราโตเป็นหนุ่มแล้วยังจะมาเป็นห่วงเราขนาดนี้อเราจะไม่ได้กินอมาเปิดมุ่งันเากน่มาธิแม่มาจับหลังบกินบ่เข่าบังกินเมยไปกินับเสียนั่งอยู่น้กินหนังกินอย่างไม่ได้แต่บริกนแม่ของเราในดีีสุด ให้ล de um kind of ่นมีใครดีกว่าแม่แม่เดินไปนัางสมาธิต่อมึงได้เจ้าครก็รถขึ้นมาเป็นตากกับคิ้วกับฟันเจ็บกับเจ็บปวดกับปวดห้อนกับห้องหนาวกับหนาวลิ้นจองลิ้นก็มม่มีที่จะไว้จะวมันอยู่เฉยน้รลายก็จะปมันไหลมึงสองข้างก็มันรู้ที่ที่จะไว้จะวางมันทะเลาะกันมันร้อนเดีเอาออกเดี๋ยวคันมึงนี่มันก็วันกวานแล้ว จะมันพีตัวอะไมาเน็กมาแต่งมันเองมาขำจะเจ็บปวดปวดบ้าเป็นสมาธิว่นหนึ่งแต่ใจมันค <th> ิด <themselves>. ส <th ew> ู้มันว่ามันเคยเป็นมันจะต้องเป็นต้องกัดฟันสู้ต่อไปไกลขันมาสามทอดสี่ทอดนู่นเลกามันตีสามแล้วง่วงมาเป็นรูเป็นแกะนอนดอกใบหนึ่งคิดว่านอมันมันไม่ใช่ที่ที่เพงจะต้นมาขามันเมินบ่อมันบ้มันบ้ามันถึง่ะมึงอุ้ยที่จะบอกวาขอไม่ใช่ที่ว่าตรับ จะลืมไหมวกเราถ้าเราประสบพบผันประสบการณ์ทั้งนองสมาธิทั้งแรกหน้าที่ใดเราจะจำที่ตรงนั้นจนตายถ้าใครพบสมาธิปรากฏการณ์ที่นี่จะคิดถึงที่นี่ตลอดวันตลอดวันตายไปใช้คืนก็คือวัวนหนึ่มันจะเป็นให้เรียกว่าอนุสรณียสถานสถานที่บุคคลจะไม่ลืมในโลกนี้มีสี่สถานหนึ่งสถานบ้านเกิดไม่มีใครลืมได้ นี่จะบอกข้อรู้มาเกิดเจ้าขอยหนึ่งพ่อปัวยอะไรได้วยขลื่นมนปัวซะสองสถานที่พิสู์ตรงผมกนวกนู่ห่มผ้ากาสาวพัดเข้าสู่สีมาใดอุปสมบทเป็นพิสูจนในศาสนานที่นันานเคยจำไม่ลืมตลอดชีวิตขลื่อจะวันั่งอย่างนี้หรืวันจะของปวดจรบอเ่พ่อปัวยอะไรได้วยขลื่นเราไปสีวาโฟนได้ สามสถานที่บุคคลเจริญสมาธิภาวนาได้ประสบพบผ่านประสบการณ์ใหม่ของจิตหน้าที่ตรงนั้นแะไม่มีไม่มีมมวันเดิมสี่สถานที่พระหมหากษัตริย์ได้ปราบดาพิเศษศัตรูราสก่อนได้กำจัดศัตรูราสก่อนสามัญตราตามนครด้วยพยุหะแสนยาอนเพื่อช่วยเชิงอำนาจซึ่งกันและกัน สถานที่พนาเลสุวรรณมหาราชตัดคอพระมหาปราชาที่จะงหวัดน้องสาหลายดอนเกดีที่นั่นพระมหา พ, พนาเลสุวรรณมหาราชแต่ไม่ลืมที่วันตายนี่คือสถานที่มันลผมก็ไมลืมตมามไร่ลืมไปเสก อ, อุปอนิมามันก็เขเอาปุ๊บขึ้นไปเนนอนลนี่เรื่องประหลัยมึงมาเล่าฟังมังพอนอนปั๊บก็มานอนเฉยๆนอนดูลมไห่แก่ เราหลอมมันจะเขา้ามันจะเอาด้วเขาหลับหลับล <set> ึกหลับสนิทหลับไม่ปูไม่แต่งแล้วฝันฝันขค้วด้ววันนี้ฝันนั่นจะเป็นนิมตสุพินังประสริฐสุพะจินโกสุภินังปรสเสติบาปบุญที่เคยกระทําความเคยชินที่เคยประพปฏิบัติมาประกอการเป็นฝันเป็นนิมิแห่งฝันพอหลับไปปั๊บฝันประหลาดเลยฝันมาเห็นเท่าเดิมนี้เลยวันนี้เอง ฟังรู้จว่าเจ้ของจะต้องเป็นอย่างนี้ผ่นยังไงฟังว่าตัวเองเดินไปคนเดียวไปในป่าแ ล, ล้วรอบรื่องงามมากก็มไม่สูงไม่ต่ำํำขี้เเชื่อมคื้นจะลาดไปได้วยยากไม่มีที่ต่ําไม่มีที่สูงไม่มีคอบไม่มีหนองไม่มีเรือบุงริ้นไรลสัตว์เท่าตัวเดียวมีแต่กินแห่งมุมวันบุพเชาติดอกไม้หอมกุ่นอยู่ตลอดเดินไปจใจก็สดชื่น เออตัวนี้น่าจะเดินสมาธิภาวนาหาหาเรยเที่น่าจะดีมันที่ตรงไหนหนอเนื้อขาไม่เคยเห็นในประเทศไทยในโลกนี้ไม่มีมันอยู่ที่ไหนต้นไม้ต้นเดียวกันระเบียบเดียวกันหมดแผดินก็ร้าวเหมือนกันหอคกลุ่นในมุมวันดอกหมยไปสักพักหนึ่งไปไปพบพายาต้นไม้เรียกว่าวานาปฏิต้นไม้ชั้นเจ้าป่าต้นโตมากเหมือนก็จะสูงเป็นเส้นกว้างเป็นเป็นสี่ไร่ห้าไร่ ต่อมาเลิกนอนหลบหลีกกันหมดแล้วพื้นลาบมีแต่ต้นยญ้าเคียวเหมือนย่าญิา่ปนุนก็เลยคิดว่าเอ่น่าจะนั่งสมาธิดีจะเดินไปนั่งสมาธิตรงแต่ก็ตกแต่มีมีคนคนนึงยืนอยู่ก่อนชายคนหนึ่งอายุประมาณสักห้าสิบยืนอยู่มีแต่ของคลุงพลังพอเห็นหน้าเรากรงเรียกอะไรเห็ไมมก็กำลังร อ, งองคอย มาไว้กำลังรอคอยคุณอยู่เอ๊ะเราก็นึกว่าคนอะไรเนาะมันเคยรู้จักกันมึงก็คนเคยรู้จักกันเรียกเราว่ารอคอยเห็นนางไปก็กเรียกชื่อด้วยสมภพมามาเอาทรัพย์สมบัติของคนเฝ้าค อ, อยมานานแล้วพรารักษาไวา้มานานแล้วตกใจวันรู้จักเชื่อเราได้อย่างไรถ้าก็มองดูสมบัติมีแต่ของอลุมพลังสมบัติไม่น่าบัก มีกระสอบอยู่สองกระสอบมัดปากมีไม้ไม่คานจอดอยู่นีสมบัติของคุณอันนั้นของคนอื่นของคุณคนอื่นเอาไว้ไม่เอาไว้ไม่ได้ต้องเป็นของคนของคนอื่นก็เป็นของเขาผมเฝ้ามันคุณมานานแล้วคุณมาเอาไปทราบผมจะไม่ได้เฝ้าเราก็เลยคิดว่าสมบัติมันน่าจะเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรนินจินดาก็เลยถามว่าลุงบอกได้ไหมว่าสมบัตินีนมันคืออะไรไม่ต้องบอกเอาไวเ้เถอะ เอาไปดูจะรู้เองว่ะสมบัติของคนแล้วคุณจะรู้เราก็เลยเกลีใจถ้าจะถามต่อไปแกอุตสาห์เฝ้าไว้ให้มานานแต่ล็กดีใจลึกว่ามันคงจะเป็นเงินเป็นทองเพราะมันเป็นสมบัติก็เลยไ ป, ไป ย, กยกขึ้นมาหาบดูเพราะดีเกินทั้งหน้าทัา้ันแต่สอมหน้างราก็สอบแล้วไม่มาเข้ากันกึน่งกันเอามาหาบแต่บาปเพราะดีหาบก็เลยบอกลาแล้วนะลุงนะไม่บอกผมเลยเลยไม่บอกดอกได้จะรู้เองเองก็ไป ก็หาไปขี้ในใจมึงกูจะไปไปเปิดดูคนเดียวไม่บอกก็ได้เป็ของเรามันจะเป็นเงินหรือเป็นทองหรือเป็นทองคํำเพชรนินจินดาก็หาเบอร์หน้าเวอร์หลังมองซ้ายแหลกขวากลัวนะเริ่มกลัวแล้วยญานิคนอื่นมาแย่งถ้านที่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเอ๊กลัวจะมีคนมาแย่งในป่าในดงถ้าเป็นสมบัติเพชรนินจินดาเงินทองระวังหน่อยเหลียวซ้ายแหลกขวาเดินไปเดินมาหาที่เหมาะยังไม่ได้ไปทะลุกพุ่งไปกลางทุ่ง พอทะลุป่าไปเป็นทุ่งโล่งแดดจ้าร้อนห้วน้ำํำหิวน้าขึ้นมา ท, ทัทีมองเห็นตัวไม้ใหญ่ตัวหนึ่งอยู่กลางทุ่งเขียวชุ่มคีดว่าน่าจะมีบอ่อน้ำอยู่กลางทุ่งไปกินน้ําตรงนั้นแล้วเดี๋ยวจะไปเปิดดูสมบัติล่ะไปหาไปหารี่ๆไปต้องไปไว้คิดว่าจะมีบอ่อน้ำํำจะไปเปิดดูจะกินน้ําที่นั่นมาดอนไปมีคนสองคนเป็นคนหนุ่มเท่ากับเรายืนดูก่อนอ้าวนักเรงหรือเปล่าเนาะกลัว เขาไปเดีวมจะมาแย่งสมบัติเราแล้วเราก็เบี่ยงเบนหน้านี้จะเดินนี้จากของไม่เข้าไปกลัวเขาจะแย่งแล้วสองคนมันก็เห็นเรามันก็พูดกันดังๆเอ้ยเอ็งเห็นไหมไอ้คนนั้นมันหับอะไรมาไอ้คนนึ่งมันถามไอ้คนหนึ่งมันตอบเอ้ยหับอะไรจะไปสนแดงของมันมันหาบสมบัติมันไปดันมารูอีกด้วยว่าโับสบัดไอ้โต๊ะก็เดินรู้เรืองเพื่อจะไย่อเราเลยนึกกลัวก็รีบเดินหนีๆไว้ กูมันจะตามมึงมันก็พูดกันคุยกันดังๆมึงรู้ไว้ว่าสมบัติของมันมันคืออะไรรู้สิทํากคนจะรู้อ๋อดันไม่รู้อีกเดินไหวกี่เดียวจะว่ได้ยินเราเดินช้าซโลโมชั่นมาเดินช้าๆเอาหูน้อยฟังมันมันจะว่ากันอะไรมันทำไมมันรู้มึงรู้เลยรู้กูรู้อะไรคือสมบัติหนึ่งข้างหน้ามับอกกระสอข้างหน้ามันบาปมันบอกเราดีบาปอาก ขา้างหน้าน้ำบาบความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ทรมานอยู่ตรงนั้นมอือนเบาๆเดี๋ยวกูไปทอไปนี่กูจะไปเทบาปทีจะไปทำทุกข์ให้บาตปาตยปาตยไม่ดีเบาๆดอกแกไปข่าไม่ดีต้องไปกันเท้าไปต่อไปกระสอบรันละเว้กระสอบรั น, น, น, นมันบุญมันบัเออ็ะช่วยไงมันนเข้ากันกระสอบรันมันบุญ ความรู้ความสามารถคุณทำคุณงามความดีของแกเต็มอยู่ตรงนั้นไงบ้าเหมืมอนกูจะไปทิ้งเปล่ากูจะกูจะไปอะไรกูจะก่อนที่จะทิง จ, จะต้องไม่ไม่คานทุบพังน่งด้ายบีเก็เลยตื่นแกไม่รู้ตื่ขึ้นมาหากระาษมาเขียนฝันที่น่าจกากูมันจะลืมแต่เมื่อโดเมื่อโดเมอดเขียนก็ก็จำอยู่ทุกทุกวันนี้ พอเด็นีนได้เห็นว่ามบาปมาให้ผลแล้วบุญก็พอจะมีบ้างมันหาบมาด้วยกันขาสองข้างหักรถความตกเหียงตัวเป็นเด็กในท้องในตายเป็นนิ้วสิบเอ็ดเมตรยิงสลายออกแล้วม้ามแตกตัดม้ามออกแล้วก็มาเป็นอัมาพาตเส้เลือแตกในสมองอีกนีิมมมาจากกระสอบข้างหน้าไปก็รอดู หมอที่ไหนเขาบอกว่าต้องตายมีแสนตายแสนมีล้านตายล้านแต่หมอเหล่านั้นตายไปคนเราก็จะหมกแล้วแต่เรายังอยู่ได้เพราะการสอบหลังมีมึงบอกนะสมาธิดีทําดีดีฝันก็เป็นเครื่องหมายให้เรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าบางครั้งก็เราจะฝันย้อนหลังนะถ้าเราจะเริญสมาธิดีๆบางครั้งเราจะฝันย้อนหลังนะเป็นเครื่องบอกให้รู้ว่าชาก่อนมีชาติหน้าเองเมื่อต้องสงสัย มือใหม่นั่งอยู่ด้วยกันนี่บางคนฝันเป็นผู้ชายเคยฝันเป็นผู้หญิงมีไหมเป็นผู้หญิงเคยฝันเป็นผู้ชายมีไหมถ้าจะฝันเห็นสถานที่เห็นบคนุคคลในฝันเรารู้คนนั้นคนนี้สถานที่ตรงนั้นตรงนี้แต่ตื่นมาคิดไปเห็นไม่ใช่คนที่เรารู้จักสถานที่เร า, มาไม่เคยไปนั่นคือฝันแม่ชาติกะครจิตใต้สมองมันเก็บเอาไว้ตื่นมาพระวังค้าจิตสเตนอบซับคอร์สสปายเก็บไป เมื่อรับสนิทเมื่อสมาธิชิ่งเหล่นั้นจะฟูขึ้นมาฟูพ่องขึ้นมาพราะที่เราสงบที่เราละเอียดเพราะฉะนั้นเขาจะบ่กไปไปนอนจุ่ันฝันคิ้วถ้าฝันคิ้วก็มันอนขอดูที่ก็ไม่ให้เอาขาเศ้าหรอกครับยายโยมาขอหวยไอ้ใจบอกฝันบอกนะเจ้าบอฝันบอกฝันอยู่ห่างแต่ไม่หาอไรไม่สนะครับมันฝันบุคิวเคยจ้ามาฝันบุดีที่เรื่องเขาทำอะไรเขาทำอย่างนี้ไอ้ใจบอฝันดีในบ่ วันฝ <laughs> ันนี่มันดีอยู่บอ่มันดีไม้มันดีจะไปเทน่ายังเขนอนฝันจะตื่นเลยคือเราอดีเตี่ไปขาไปขายไปทำไทํานาทาไมก็นอนพัดเอาดอมันสบายไฝันเนาะเขาก็เนใจขก็ถต่อาจารย์บอกฝันคิวในบ้านั้นหวังว่าสิ่งทจะเไดเต๋ยวบอกฝันพัฒนาฝันเดียวมันบคิวอาจารย์ เป็นยังจะสิคิวมันต้ออยอาจารย์อยู่วัดอยู่ว่ามีสิ่งที่ทำข้าแต่เจ้าก็มานวนฝันแม่วัด น, นัข่อยตัวที่คอยว่าเจ้าว่าบาดตับอกบอกสุดท้ายก็ต้องเทศให้ฟังหน้าฮิตโพคานังอิทธิยาปุริตสัตสวาสุปินังอุปชติขึ้นชื่อว่าโคพคทรับย่อมไม่เกิดขึ้นแก่บุรุษและสตรี แกญิงและฉายด้วยการฝันพู้ทียาพมันบอกอย่างสั้นจะพากันงออะไรได้หรอไม่ฮคำไม่เป็นจะเป็นอย่างดอกเทสมัตีดีๆตัวนี้เราพูดถึงมาการทำกายสังหารลำงับนะข้อที่สี่เาส่สวนมาประสมผยางกายสังขารังนั่งทํารมันลำงับลำงับจนลมดับไปด้วยเวลาเที่ยงันนี้มันสว่างแล้วห่วยห้องวงกว่าแลยวหนึอเนาะพได้วิรวาเะทุคเกล้า เนื้อตอนปายว่าต่อกันอีกภาคอารักษคนุปนิชานจจตุกาที่สองที่สามที่ส่ของอนาปตนาสเทชขอความเจริญงอกงามในไตยสีขาในจารณะในเสขาปฏิปทาอริยะยะยะธรรมเบ่งบานสดชื่นแจ่มายในจิตในใจของพวกเราทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทิน เราแผ่เมตตากันพร้อมเพียงกันแผ่บุญแผ่กุศลแล้วก่อนที่จะแยกย้ายกันวันนี้ต้องปรับปรับแผนุกุศลสั่งย้ายไปปันทัวซัดซิ่งเข้าขนาน่าเหนื่อดเพิงบนห้องนอพร้อมเพียงกันด้วสุขีโนสุขีโนาเคเมโน ตุสาเภสทอาภวันตุสุจิตาตานยเคจิปานาโปตตเทตาสา